หัวข้อประจำวาระอุปสัมปทาขันธกะอุปโปสถะขันธกะวัตสูปนายิกะขันธกะปวารณาขันธกะจั ม, มะขันธกะเพศัชชะขันธกะกัถีนะขันธกะจีวระขันธกะจำไปยะขันธกะ โกสัมพิกะขันธกะกรรมะขันธกะปริวาสิกขันธกะสมุจยะขันธกะสมถขันธกะขุดทกะวัตถุขันธกะเสนาสนะขันธกะสังฆเพทขันธกะสมาจาระขันธกะทะปณขันธกะภิกุณีขันธกะ ปัญจะสะติกะขันธกะสัตตะสะติกะขันธกะ